ทรงพยากรณ์พระอัครสาวกพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรและโมคคลานะเดินมาแต่ไกลแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองคนนั้นคือโกลิตะและอุปติสะกําลังมานั่นจะเป็นคู่สาวกชั้นยอดเป็นคู่ที่เจริญของเราท่านสารีบุตรและท่านโมคคลานะผู้น้อมจิตไปในธรรม อันยอดเยี่ยมลึกซึ้งเป็นวิสัยแห่งยานเป็นที่สิ้นอุปธิยังมาไม่ถึงพระเวรวุวันพระศาสดาก็ทรงพยากรณ์แล้วว่าสหายทั้งสองคนนั้นคือโกริตะาและอุปติษฐ์กำลังมานั่นจะเป็นคู่สาวกชั้นยอดเป็นคู่ที่เจริญของเรา